่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำอธิบายในการจะเป็นกรรมฐานก็ส่วนใหญ่ญาติโยมญาโยมที่มานี่ต้องการฝึกมโนยิทธิแต่ว่าในตอนท้ายจริงอธิบายเรื่องมโนยิทธิญาติโยมมือลงจะไม่ส่งตรงมือนานที่จะเมื่อยตั้งใจฟังนเล็ก้ในครับพุทธเจ้าใช้ได้ สำหรับในตอนต้นนี้ก็จะขอพูดเรื่องกระสินเสก่อนแต่ว่าสําหรับมโนยที่น่าจะตอนท้ายเวลายเยอะอการที่อธิบายตอนตอน้นกับเพื่อนได้ยอโยมระฆังสงทั้งหมดศึกษาว่ากรรมฐานจริงๆนี่มีอย่างไงต่อไปที่เราจะปฏิบัติเราก็ลเลือกปฏิบัติตามชอบใจเพรากรรมฐานจริงๆที่เป็นหลักใหญ่ที่พระเจ้าทรงตรัส ตามที่ภาษารีบร ท, ท่านรวบรวมมามีสี่สิบกองไม่ใช่มีกองเดียวมีสี่สิบกองแล้วท่านจะแบ่งเป็นจริตแต่และกองกองไหนบางหมาจริตไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คนก็คนที่ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตามตรีย า, ายัยชอบกองไหนปฏิบัติกองนั้นแต่กรรมาฐานทุกกองถ้าปฏิบัติแล้วมีผลเหมือนกันคือเป็นอรันเหมือนกันหมดมีสมาธิได้เท่ากัน มีชานสมาบัติได้เหมือนกันเป็นพระอริยเจ้าได้เหมือนกันและกัปณิพานได้เหมือนกันสําหรับวันนี้ก็จะตอบปฐวีเกสินแต่วานี้พูดถึงปฐวีเกสินยังไม่จบเวลาหมดก็สําหรับญาติโยมที่มาใหม่ก็ขอขึ้นต้นไปหน่อยนึงคำว่าปฐวีเกสินก็แปลว่ามองดูดิน เกสินแปลว่าในมิติหรืเครื่องหมายปัตวีประวดดินคือใช้เกสินดินเกสินดินนี่จะทำอย่างนี้ใคยทำสะดึงเข้าแต่ความจริงถ้าเราไม่ทำสะดิงจะนำดินมาสัก้อนหนึ่งเอาก้อนใหญ่ๆประวางไว้ข้างหน้าก้อนไม่ต้องโตมากนักขนาดเท่าขันตักน้ำขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดกลางเนี่ยหรือประมาณเท่าบาทรก็ได้วางเข้าก้อนนึง จะปล่อยให้เป็นิงกลมเป็นก้อนกลมก็ได้ทำเป็นแบงก็ได้วางไว้ข้างหน้าพอสมควรอันดับแรกพยายามรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกก็สองสามครั้งก็จิตเริ่มสบายแต่ว่าการทำขัน้นแรกกำหนดรู้ลมให้ใจนี่ธรรมดาญาติโยมพระธรริษัท จะใช้ให้ใจแรงแล้วเบาแล้วยาวๆจะดีมากให้ใจยาวๆแรงๆสัก5้าครั้งเป็นการระบายลมอยากทิ้งหลังจากนั้นก็ทำแบบสบายถ้าทำแบบนี้ถ้าจิตเข้าถึงชานชานจะทรงตัวดีจะไม่พัดจากชานมาพูดกันั้งก็สินต่อไปเมื่อกาหนดรู้เราไมใ่ใจพอใจสบายแล้วก็ลืมตารูดิน จำภาพดินที่วางข้างหน้าว่ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรสีนี่เอาส่วนใหญ่ไปสาคัญก็จจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินใจอาใจนึกถึง <c oughs> แล้วก็ภาวนาว่าปัทวีกสินังปะทวีกะสินัง ภาวนาอย่างนี้ฝังจิตนึกจิตนึกถึงภาพดินถ้าบังเอิญจิตมันเลือนหายไปภาพดินเลือนหายไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูใหม่จําภาพให้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วภาวนาแบบนั้นแล้วก็รู้ว่าไม่ใจเข้าจะออกไปด้วยถ้าทุกคนทำกรรมสินแล้วก็ฝึกอโนมิธิด้วย อย่างนี้ความเป็นทิศของทุกคนจะแจ่มใสามากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทิศกุญานได้จากศีล <c oughs> จะมีภาพชัดเจนแจ่มใสเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาธรรมดาเราจะเห็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพงก็ดีแล้วพู้ผีต่างๆก็ตามจะเหมือนเห็นเหมือนกับเราเห็นเหมือนเห็นคนมีสภาพไปแตก ต, ต่างกันไม่เป็นเงา ตอนนี้เมื่อทำไปทำไปในดับแรกเราจำภาพเราสิ้นได้บ้างถ้าจำไม่ได้ก็ลืมตาหลับตาตามที่ว่ามนแล้วจำนึกนึกภาพภาพเรือนหายไปก็ลืมตามองดู <c oughs> จำได้ก็หลับตาแตรวบการหลับตาจำภาพมาทรงได้ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวภาพก็หายไปอย่างนี้เขาเรียกว่าขัาน้นการสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อย อะไรสงก็มากแต่ว่ายังใช้งานเขาก็สินไม่ได้ต่อไปจิตเกิดความชินขึ้นทำอย่างนี้ทุกวันเวลาทาในขบัรดาญาโยมพระธรรมสัจถ้าทำไปทาไปจิตเกิดฟุ้งซ่านอารมณ์เกิดฟุ้งซ่านภาพเลือนไปทรงใจไม่อยู่เกิดความําคาญเกิดขึ้นอย่างนี้ให้เลิกเสียอย่าฝืน ถ้าใจสบายก็มาทำใหม่ขณะที่ทำจะนั่งพับเพียกก็ได้จะนั่งขัดสมาธก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธุพุอยู่ข้างหน้าเราจะเหยียดก็นั่งเหยียดขาก็ได้นอนก็ได้นั่งกัาอี ก, ก็ได้นั่งเองกายก็ได้ตามใจชอบให้จิตเป็นสุขต่อไปถ้าความชินเกิดขึ้นภาพมิมิกรสิงคือดินภาพดินจะอยู่นาน ถ้าไม่อยู่นานก็หมายความว่าอาจจะอยู่ถึงนาทีบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีบ้างถ้าอยู่ได้ถึงสามนาทีนี้ถือว่านานมากใช้กําลังงานได้ถ้าภาพอยู่นานนานได้อย่างนี่นิมิตที่เห็นคือภาพกรสินที่เห็นก็เรียกว่อกห่นิมิตเป็นจุดต้น อ, อกห่นิมิตในจุดในจุดต้นหรือไม่ความเห็นภาพกรสินตามเดิม ต่อไปถ้าจิตมีความชำนายขึ้นสมาธิสูงขึ้นกำลังใจจะอิ่มเอิบมากมีความสดชื่นมากมีความสุขมากภาวกสินที่เห็นจะเห็นได้ชัดขึ้นจะทรงตัวนายขึ้นแต่ยังไปสีดินตามเดิมที่หลังจิตมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็นึกว่าข้อภาพกสินจะลอยขึ้นสูงภาวกสินจะลอยขึ้นสูงตามเรานึก ภาพกระสินจะอยู่เข้าซ้ายก็ไปข้าซ้ายภาพก็ะสินอยู่ขวาก็ไปข้างขวาภาพกระสินจะมาอยู่ข้างหน้าก็มาข้างหน้าภาพกระสินจะอยู่ข้างหลังก็ไปข้างหลังอย่างนี้ถือว่าเป็นอุกข ह นิมิตรตอนกลางต่อไปเมื่อฟานจํานายเกิดขึ้นจิตสะอาดมากขึ้นตอนนี้ภาพกระสินจะค่อยๆกลายสีจากสีดินจะค่อยเหลืองขึ้นทีละน้อยจะน้อย ในที่สุดสีดินทั้งหมดจะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดต่อสีเป็นสีเหลืองทั้งหมดอย่างนี้ถือว่าเอาข้อหามิมิตรกลางเรียกว่าเริ่มต้นตักันกลางต่อไปชีวจิตมีความสบายเกิดขึ้นสมาธิสูงขึ้นสีเหลืองจะเพิ่มคลายตัวเทียนน้อย ทำเมื่อคลายทัวรเดียน่อยอาจจะไม่ใช่วันเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นหลายวันก็ได้เขาค่อยๆคลายเดียวหน่อยเดหน่อยนัยนยนกหนักเข้าจนข้างเป็นสีขาวบริสุทธิ์ขาวเหมือนกับผ้าขาวที่สะอาดคือสีขาวที่เขาทาพื้นถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นองค์ขานิมิตรขนาดเต็มอัตราถ้าเป็นองค์ขานิมิตรเต็มอัตรานี่พระพุทธเจ้าทรงสัตว่าเจ้าษินตอนนี้เราจะใช้กําลังของเกสิน เป็นทิฏฐิคุญานได้แล้วก็เป็นทิฏฐิคุยานเต็มอัตราคือกําลังสูงกว่าที่เราฝึกมโนยิทิตอนนี้ถามว่าจะใช้าาใช้ทิฏฐิคุยานยังไงให้จับภาพกรสินการภาวนาแนละ้วตามเดิมนะปัตตวีกสิ น, นังเนะี่ยจับภาพกสินให้ทรงตัวคําว่าจับหมายจะมองดูตั้งตั้ ง, งใจเห็นไม่เห็าตายเห็นใจเห็นชัดภาพกรสินลอยข้างหน้า ตอนนี้ไปแล้วก็นึกในใจว่าเราต้องก่อการดูวิมัยนของพระอินทร์มีรูปร่งารงลักษณะไปยังไงก็นึกในใจว่าขอภาพกระสินนี้จนหายไปขอภาพวิมายของพระอินทร์ยมรากอแทนเพียงเท่านี้ภาพกระสินจะหายไปภาพวิมัยนของพระอินทร์ก็ยมรากอดชัด ต, ต่อไปก็คิดว่าเวลานี้พระอินทร์มีรูปร่างลาักษณะไปยังไง แต่งตัวแบบไหนขอเห็นท่านเราก็เห็นท่านถ้าเราต้องการเห็นอะไรอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดหรือว่าสมมติว่าย่าตของเราและเพื่อนของเราและคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามได้ยินข่าวว่าเขาตายไปแล้วเราอยากจะทราบว่าคนที่ตายในเวลานี้อยู่ที่ไหนเราก็ดูผ้ากรสินตามเดิม หลังจากนั้นก็อธิษฐานขอภาพกสินหายไปขอภาพคนตายจงปรากฏพร้อมกับภาวะความเป็นอยู่ของเขาเพียงเท่านี้ถ้าเขาอยู่สวรรค์เราจะเห็นอยู่ในวิมานถ้าเขาอยู่ในสัตว์นรกเราจะเห็นในขุมนรกนต่อไปถ้าสมมติว่าเขามีทุกข์มีสุขมาต้องพูดกันถ้าอยู่ในนรกคิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้มีความสุขเราจะทํำยังไง ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตอนนี้ว่าขอให้ภาพขอใสัตว์นรกไปขุมคนนี้ขึ้นมาบนปากผมเท่านี้ภาพสัตว์นรกคนนั้นก็จะขึ้นมาปากผมทีนี้เราก็คุยกันได้คุยกันได้ที่ความสุขความทุกข์ของเขาเขาต้องการบุญขนาดไหนทำยังไงถึงเขาเมื่อรับฟังมาแล้วเราลาเขาเขาก็ลงไปตามเดิมหลังจากนั้นเมื่อเราทาบุญตามที่เขาขอรอเสร็จ แทนที่เราจะทิศส่งสนอย่างประเภทมาเห็นแล้วก็ไปเอาละจับต่อสินนึกถึงภาพต่อสินภาพต่อสินลอยปรากฏขนานานึกเขานึกว่าเวลานี้ขอภาพต่อสินย่พ้นไปขอภาพสัตว์นรกคนนั้นยงปลายกดเข้าไปเจ้าเพียงเท่านี้ตัวเขาจะมาปรากฏและเราก็บอยเข้าโมทนาถ้าเข้าโมทนาได้เขายัดพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาด้นานฟ้าทันที เนีเป็นว่าเมื่อแมเมื่อเราทํำกสินเข้าถึงอกขณะนิมิตเตมาตราอย่างนี้าภาพภาพทิพย์คุยานจะจำใสชัดเจนมากเพราะเป็นกําลังโดยตรงแต่ว่าปทวีกสินนี่ถึงว่าจะไม่ใช่กสินที่ทําทิพยานโดยตรงก็ตามแต่กําลังสมาธิใช้ได้ฉลาดฉลาดใช้ได้หลังจากนั้นถ้ากสินเป็นฌาน ถ้าเราภาวนาไปด้วยจากผ้ากสินตามเดิมด้วยสมาธิสูงขึ้นผ้ากระสินจะเ่อยกลายจากสีขาวเป็นแก้วเสียนน้อยแต่น้อ ย, ยถ้าผ้ากรสินเป็นแก้วลึกลงไปประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซน์อันนี้ไม่ต้องดูสมาธิอื่นดูผ้ากสินเป็นพื้นอย่างนี้กําลังใจของเราจะเข้าถึงปฐมฌาน ถ้าภาพเกสินเทนั้นเป็นแก้วลึกก็ไปประมาณห้าสิบปอร์เซ็น์กำลังใจของเราจะเข้าเขตทุติยชานคือชานที่สองถ้าภาพเกสินเป็นแก้วทั้งดวงหมดแต่มีแกนนิดหน่อยอย่างนี้กําลังใจก็จะเข้าถึงชานที่สามถ้าภาพเกสินเป็นแก้วทั้งหมดแกนนิดหน่อยก็ไม่มีเป็นแก้วใสทั้งหมดอย่างนี้เวลานั้นเป็นชานที่สี่ พอถึงชาในสี่นี่เป็นกำลังใหญ่ให้กำลังเขาปราบรามกิเลส ก, ก็ได้หรือว่าจะจะฝึกเป็นหรือว่าจะทำในด้านอารูปฌานต่อไปก็ได้การทำอรูปรปฌานตั้งแต่อาการสารนัญญาย า, ยาตนะขึ้นไปจนชาในนี้จะสิ้นชานสีส่เป็นสำคัญแต่ว่าวันนี้พูดเรื่องเงาสินไม่จะพูดถึงอรูปฌาน แล้วเมืจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วตอนนี้ก็เป็นลีลาคงฤทธิ์กำลั ง, ขงเขาก็เสียงมาเป็นโอกาสนิมิตเราสามารถใช้เป็นพี่เป็กุญาาได้ตอนนี้กําลั ง, งเขาก็เสียงขั้นนี้ทุกฌานสี่เป็นกําลังที่ใช้อภิญญาแต่ว่าถ้าเกษิยณอย่างเดียวก็ทําได้อย่างเดียวพวกอภิญญาจริงๆต้องได้เกสิยณทั้งสิบอย่างครบถ้วนเป็นฌานสี่ทั้งหมดและเข้าฌานในคล่อง ไม่เฉพาะปะทวีเราสิ่ก็ทาวิตย์อย่างเดียวคือทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอย่างกับน้ำอ่อนเราต้องการให้น้าแข็งน้ำจะแข็งตามใจเราถ้าอากาศนี่อ่อนเราต้องการให้อากาศแข็งอากาศจะแข็งตามใจเรา <c oughs> ถ้าเราไปทาอากาศเขาเรียกเดินบนอากาศไม่ใช่หะถ้าหอจะต้องใช่วายวกสิ่ <c oughs> ไปใช้ผิดไม่มีผลแต่ถ้าจะเดินขึ้นไปบนอากาศเราที่เหยียดไปพื้นแผ่นดินมันยุ่งเดินบนอากาศดีกว่กาแล้วก็อธิษฐานว่าขออากาศที่เท้าเข้าไปเจ้าเหยียบไปตรงนั้นอาจจะพัจุดจงแข็งเหมือนดินจะวิธีทํำก็ทำนี่นะ <c oughs> อันดับแรกทํากําลังใจให้ถึงชาลสี้างสินี่ต้องคล่องนะชาลสินนะถ้าจะใช้ที่จะต้องคล่องจริงๆ ไม่ใช่จะไปดั้งใช้เวลาและสองสา ม, มนาทีอันนี้ไม่ได้นึกปั๊บจิตเข้าถึงฌานสี่ทันทีต้องหกักให้คล่องนึกปั๊บจิตเข้าฌานสี่ทันทีจะออกอะไรก็ได้จะเข้าอะไรก็ได้ถ้าจิตเครื่องขนาดนี้แล้วแล้วก็ฝึกคิดว่าอากาศที่เท้าเข้าไปเจ้าเหยียบไปนี่ <c oughs> จงแข็งแข็งเหมือนดินนะแข็งไม่เห็นเจ้าพ่อที่เท้าเหยียบพอที่เท้าเสร็จก็เข้าฌานเข้าถึงฌานสี่ ออกนั่นก็ออกจากฌานสี่จิตตั้งไว้อุปจาระสมาธิใว่ากำมางสมาธิเบาๆอธิษฐานว่าต่อที้ไปเขาไปเจ้าจะเหยียบอากาศาขอต้นยังแข็งก็เดินไปเลยเพียงเท่านี้ถ้าเราสินเราทรงตัวเราจะเดินบรรยากาศให้แบบสบายๆไปจะเดินได้จะ ต, ต้องหาฝึกเดินนะถ้าทางที่ดีเวลาการฝึกขั้นแรกควรเจ้าน้ํามาใส่แก้วแล้วน้ํามาใส่ขัน อันดับแรกจากภาพลิมิตพละวีเกสิรให้ทรงตัวแล้วพอตอนนี้มันต้องคล่องแล้วนี่นึกอะไรก็ได้นึกพับจะพภบลูกทรงตัวอริฐานจิตว่าน้ําในขันนี้ทรงแข็งเหมือนดั้มแข็งแล้วก็เมื่อจิตทรงชาสีแล้วก็ถอยหลังลงมาทําให้จิตเบาลงอริฐานว่าน้ําที่พราพเจ้าจิตจิ้มลงไปนี่ให้แข็งเหมือนดั้มแข็งแลื่มือจิ้มลงไป ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆครั้งแรกสักครั้งสองครั้งสักคอาจจะเป็นสิบครั้งยีิบครั้งไม่มีผลก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆจนทั้งจิ้มอะไรแข็งมันนั่นจิ้มอะไรแข็งมันนั่นในที่สุดไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางคิดว่าน้านี้จงแข็งแย่ไปแข็งทันทีเน้นคิดว่าอากานึกว่าเวลานี้ข้าเจ้าจะเดินบรรยากาศเพียงเท่านี้อากาศที่เยียบไปจะแข็งทันทีอย่างนี้ถือว่าเต็มอัตราของปฏวีรสิง ตอนี้เมื่อพูดทั้งปฐวีกับสินมาชายเขาตั้งฌานสีแล้วจุดที่เราปฏิบัติเกศินจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเราต้องการฤทธ์ต้องกําลังความเข้มแข็งของจิตเพือสมาธิจิตเข้มแข็งแล้วเรต้องการเพื่อเป็นกําลังของการตัดกิเลสกำลังพัฒนายาในการตัดกิเลส ถ้าเราต้องการในการแต่กิเลสเราก็ใช้แบบนี้ใช้ตั้งภาพก้าสินให้เกิดขึ้นด้วยกำลังคุณฌานสีเมื่อภาพก้าสินเป็นแก้วแล้วก็ค่อคยๆอาจิตให้อ่อนตัวลงอธิษฐานว่าขอกำลังของดวงกสินค่อยๆมัวลงดวงกรสินจะมัวลงทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยละหน่อยในที่สุดถ้าจิตเราเคลื่อนจากสมาธิก้าสินก็จะหายไป เมื่อภาพกสินหายไปเราก็คิดเข้ามาเทียบกับร่างกายของเราร่างกายของเราถ้าเทียบกับกสินอันดับแรกมีความเกิดขึ้นมีสภาพเปล่งใสแล้ต่อไปความเศร้าหมองความร่วงโดยก็ปรากฏขึ้นหนาวกัดขึ้นมาความร่วงโดยปรากฏขึ้นมันก็แก่ก็ไปเรียนน้อยเด่น้อยเด่น้อยเหมือนกับภาพกสินเท่าก็เคลื่อนตัวลงมัวลง ในที่สุดร่างกายของเราต้องตายเหมือนกับภาพกสินที่หายไปอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณต่อไปก็ใช้ปัญญาอีกนิดหนึง่งต่อไปหน่อยหนึง่งว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นเหมือนกับภาพกระสินที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปความเศร้าหมองขอกายก็เกิดขึ้นเหมือน ก, กับภาพกสินที่หมองหมองต่อไปภาพร่างกายก็สลายตัวเหมือนภาพกสินที่หายไปข้อนี้เช่นใด ขึ้นเชื่อว่าการเกิดมีร่างกายอย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขการเกิดเป็นคนก็เป็นทุกข์การเกิดเป็นสัตว์ก็เป็นทุกข์ถ้าถ้าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นดางฟ้าเป็นพรมเราก็เป็นทุกข์ที่นั่นไม่มีทุกข์แต่เมื่อหมดวุฒิสนามบารมีก็กลับมาทุกข์ใหม่ได้ดินแดนแห่งใดที่หมดทุกข์มีไหม ตอนนี้ก็ น, นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยว่าดินแดนแห่งใดที่ไม่มีความทุกข์จะมีบ้างไหมขอเห็นดินแดนนั้นต่อจากนั้นไปก็จิตจับภาพเราสินตามเดิมให้ใส่ไม่แก้วมีสภาพของใสแล้วต่อไปแล้วก็ใช้ใจตามนี้มาขอภาพเราสินจนหายไป สถ า, านที่ใดที่เป็นที่ปล่อยจากความทุกข์ตรอยการตรอดสมัยถ้ามีจริงค่อยปรากฏแทนพระสิณเพียงเท่านี้ภาพนิทานจะปรากฏและก็จะเห็นชัดเจนทุกอย่างตามที่เราต้องการธรรมดายาโยงพระสวัสดิ์ทุกขันการใช้กําลังวิปัสาานาญาณถ้าใช้เป็นสักหน่อยก็ไม่ต้องใช้กําลังมากนี่ว่าเรื่องประตวีกสิณก็ขอจบที่ตรงนี้นะต่อไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิ คำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจวันนี้บรรดา ญ, ญาติโยมพระทบิษัทจะฝึกมโนยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์เฉพาะใจเกสินะมีฤทธิ์ทางกายทั้งใจถ้าห่อเอิญได้กายเกสินะกายไปด้วยแต่วันนี้แล้วก็ฝึกเป็นเกสินเหมือนกันอย่างเกษินอ่อนมีฤทธิ์เฉพาะทางใจ การเห็นพระรูปประโคมองค์ององสมเด็จพระสัมมาธรรมพระพุทธเจ้าตีเป็นยงเราศีลถ้าเรานึกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานนิตติเราเห็นภาพของท่านนั้นนี่เปรียงเาศีลเวลาที่ครูบอกข้ามันดาญาโยมพระทุกข์เห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เห็นพระรูปตอนเห็นภาพตปรียงเาศีลตอนนึกว่าพระพุระญาติเป็นพุทธานปติแล้วการเห็นมีสภาวะต่างกัน ถ้าเห็นท่านสีเหลืองเป็นปิตากเกสินถ้าเห็นเป็นสีขาวเป็นโอทาจเกาสินถ้าเห็นเป็นสีใสเป็นแก้วเป็นอาลุงเกสินเกสินกอง น, นี้สำคัญมากก็ลองความว่าท่านปฏิบัติกรรมฐานนันโนที่ก็คือปฏิบัติเกสินตรงแต่ว่าเราใช้กำลังของเกษินอย่างอ่อนคือใช้เฉพาะกำลังใจวิธีปฏิบัติ อันดับแรกเขามันไดย้ย่าโยมพุทธบริษัทรู้ลมหาย ใ, ใ, ใ, ใจเข้าหาใจออกหายใจเข้ารู้อยู่หออาย ใ, ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเวลาหายใจเข้าหายใจออกอย่าบังคับร่างกายร่างกายใหายใจเบาหรือใจแรงปล่อยเป็นเรื่องของร่างกายเราใจเขามันทราบลมหายใจเข้าออก ถ้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้ถือราได้สมาธิในกรรมฐานหนึ่งกองคืออนาปานุสติแล้วต่อไปก็ภาวนาคนคำภาวนามีสี่คาคือนมะปะทะเวลาหายใจเข้านึกตามานะมะเวลาหายใจออกนึกตามะพระทะ การภาวนาเขาไม่กันย่าเร่งลมหายใจออกปล่อยลมหายใจเขาออกไปตามปกติเพื่อในเพียงว่าเวลาให้ใจเข้านึกในใจวนันละมะให้ใจออกนึกว่าพะธรในขั้นแรกค่อยปฏิบัติเพียงแค่นี้เพราะว่าเวลานี้ความเป็นทิศยังไม่เกิดเพียงแค่ทรงกําลังทําใจให้จิตทรงตัวมีสมาธิเพื่อรอรับพิภสนาญาณ การภาวนาแบบนี้เวลาภาวนาอยู่ธรรมดาญาติโยนทั้งหมดจงอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเพราะว่าไปอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะงุ่มง่านถึงเวลาฝึกจริงๆครูก็จะภาวนาประมาณสิบนาทีแต่ก็ในช่วงสิบนาทีนี่อารมณ์ของเราต้องแลบออกไปนอกไปของธรรมดามาอาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็ถือว่าเรื่องธรรมดาของใจ ถ้าเผลอไปตามนั้นพอรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มติ่เขึ้าใหม่ให้ใจเข้านึกวันะมาใจออกจะภาทะไม่ใช่ของผิดหลังจากถึงเวลาสมควรแล้วครูก็จะเข้าไปแนะนำถ้ามีคนเขาไปนั่งข้างหน้าแล้วนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนำเวลานั้นญาโยมทั้งหมดเลิกภาวนาทันทีไม่ต้องภาวนาอีก แล้วก็ไม่ต้องสนใจกรมณ์ใจเขาออกตั้งใจฟังคำแนะนำของครูผู้แนะนำครูผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัด ก, กิเลสขณะที่ตั้งใจฟังอยู่พระพูดในด้านตักกิเลสอารมณ์ใจเราจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทละน้อยทละน้อยเมื่อกิเลสห่างจากใจมากอารมณ์ใจก็จะเปรทิศที่เรียกว่าทิศปุญาติเพราะตอนต้นทุกคนต้องได้ทิปุญาต พอพูดคําว่าทิศจักรยานที่ก่อนคําว่าทิศกุยานนี้ไม่เหยแปลว่าตาทิศตาทิย์เขาเรียกทิศเนตอย่างพวกเรามีไม่ได้ต้องนางฟ้าเทวดาพมมีได้ร่างกายเป็นทิศพวกเรานี่มีได้แค่ทิศจักุญยานคําว่าญาณนี่แปลว่ารู้ไม่เหยแปยว่าเห็นเราไม่ได้ใช้ตาตเราใช้ความรู้สึกของใจ ถ้าแปลาตามศัพท์จริงๆก็ต้องแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาคิดรวมความว่าสิ่งที่เราไม่เห็นในตาเนื้อเราสามารถจะเห็นมีความรู้สึกเห็นได้ตามความเป็นจริงนี่คําว่าธิกุญานี้ที่ญาติโยามได้ก็จะมีกําลังไม่เท่ากันบางท่านได้อย่างอ่อนมากจะมีแต่ความรู้สึกจิตไม่เห็นภาพ บางท่านได้อย่างกลางจิตสะอาดไปกลางจิตมีความรู้สึกเพราะาจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนบางท่านจิตสะอาดที่สุดมีความรู้สึกว่าจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากตรงความมาขอทุกคนเชื่อกำลังของจิตดืวความรู้สึกของจิตความรู้สึกแรกที่มีความรู้สึกของจิตจะไม่ผิดจะถูกต้องเสมอ ดังนั้นแหวรวดายญาติโยมพระสัศน์ก็ท้าครูก็ถามมาว่าท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้มีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างเขาก็ได้ถามเรื่ตัวเขาเขาถามเรื่อเทวดานางฟ้าหรือพระอริยเจ้าที่จมาส่งพระถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายังตัอย่ากลัวผิดความรู้สึกแรกกด้ไม่ผิดแล้วก็ถามว่าท่านนี้อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงผู้ชาย เรามีความรู้สึกยังไงตอบตารนั้นไม่ตรงตามคนอื่นเขาทราบว่าก็ถามว่าท่านนั่นแต่งตัวสีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นก็เห็นถูกต้องแล้วเขาก็ย้แนะนําให้ไปพระจุลามณีเจดียสถานที่สวรรค์เช่นดาวดึงแล้วต่อจากนั้นไปถ้ามีกาลังใจพอก็ให้ส่งปฏิภาณแนะ น, นําปฏิภาณสําหรับญาติโยมที่ต้องการซักซ้อมให้ทำอย่างนี้ไม่การจะมีการเข้าตัว ตอนนี้ไปคุณดาญาโยมทั้งหมดหันหน้าไปทาพุทตุลุตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานเป็นกรรมฐาน้ันหลังไปจากหนราไปนอย